สิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหน ไ, หนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดี พุทธทาสพิคุท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเคยกล่าวไว้ว่ารู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตัวตน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 ตัวตนมีได้เพราะความเห็นผิดเข้าใจผิดจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นผลตามมาก็คือเป็นทุกข์แต่ถ้าหาว่าเรามีความเห็นถูกต้องเราจะรู้ว่าอ๋อตัวตนเนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติใชใ้ทำประโยชน์ตอนนั้นแล้วก็มีแต่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในสิ่งสมมติ ปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นแล้วที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนก็ไม่เกินที่ตัวเราตัวเราของเราธ่าาจาพจุทธาสอาจารย์ักกล่าวว่าตัวกูของกูก็ชี้ตรงไปที่ตัวเราก็คือ ขันหก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันแปลว่ากลุ่มกองหรือกรุ๊ปเนี่ยคือกองกองกองนี้ง่ายเข้าใจง่ายขัน5เนี่ยเราย่อลงมาเหลือแค่สองคือรูป รูปประขันก็คือร่างกายของเราส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นคือส่วนของนามเห็นหมสรุปลงเหลือแค่รูปนามแล้วก็รูปนามขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราและของเรา แต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของรูปน้ำคันห้าเนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีทุกทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้บีบคั้นต้องให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอนัตตาอันนี้คือธรรมชาติของคันห้านี่ หรือรูปนามสิ่งเหล่านี้ลนะ่ะเรามองไม่เห็นไม่ชัดเจนไม่ได้สัมผัสเราจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามขันห้าเป็นตัวเราของเราเราจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป้าหมายสาคัญก็คือให้รู้เท่าทันในความเปลี่ยนจริง แล้วก็ปล่อยวางเขาเรียกว่าอุปท า, านและความยึดมั่นยึดติดในการห้าเสียนี่คือเป้าหมายสำคัญเลยม่ว่าจะพ้นทุกข์ในที่สุดการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญก็คือการเจริญสติเนี่ยอาศัยความเพียร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 ปฏิบัติธ ร, รมช่เวลาเรามีสติเราเลือกลุ้งลงไปที่กายหรือที่รูปเราเจะเห็นว่ารูปประธรรมที่เราเรียกว่ากายเนี่ยมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอเรานอนอยู่นานๆเนี่ยเออนอนอยู่ได้ไหมอนอนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะความทุกข์มันบีบคั้นมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนลีอาบทไปนั่งบ้าง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 หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้า ม, มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอๆ อ, อยู่ น, นิ่งๆต้องคอยแก้ไขแก้ปัญหาให้กับกายกับรูปรธรรมของเราเราเปรียบเสมือนแพทย์เหมือนพยาบาลจะรูปประคันเนี่ยเปรียบเสมือนคนป่วยคนไข้นะเราต้องคอยดูแลต้องแก้ไข เดี๋ยวถายหนักท่ายเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวอีกแล้วต้องแก้ปัญหากันอยูเรื่อยๆพอแก้ปัญหาเสร็จเราก็คิดว่าเรามีความสุขที่จริงทุกมันหายไปชั่วคราวนะเดี๋ยวรูปมันก็เป็นทุกอยตลอดชีวิตต้องแก้ปัญหาตัวเองอยู่ในผลสุดท้ายรูปเนี่ยก็ต้องแตกทําลายไปอยู่ไม่ได้ นี่คือสภาพของรูปประธรรมใช่ไหมถ้าเราฝึกที่จะละฝึกที่จะปล่อยวางรูปประธรรมได้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องตายนะ <c ười> คือตายซะก่อนตาย <c ười> คือถอนความยึดมั่นถึงมั่นว่ารูปเนี่ยเป็นตัวเราซะก่อนที่มันจะตายก่อนที่รูปจะแตกทําลายเราใช้สมมุติว่าตายตายคือสมมุตินะ จริงเป็นการแตกทำลายของรูปภัณฑ์เนไนะเนี่ยแค่รูปภัณฑ์นนะเราเพียงจะมีสติคอยรู้ให้เท่าทันในปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาเน่ยังไม่จริงต้องมีสติสัมผัสลงไปจริงๆที่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ที่รูปรขันฑ์ในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้าคิดเอาไม่ได้และส่วน กองเวทนาอนนี้เป็นกองเวทนากองที่สองรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ากองเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเดี๋ยวเป็นสุขสักพักนึ่งอาเป็นทุกข์อีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสุขอีกบางทีก็เฉยๆสลับสับเปลี่ยนกันเราสังเกตดูเราจะเห็น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 มีเหตุให้เกิดมันก็เกิดโดยสภาพของธรรมชาติตามกฎไตรลักษณ์ส่วนกองที่3านี่เขาเรียกว่ากองสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงความจำได้จำได้หมายรู้จำเรื่องราวในอดีตได้จำได้ว่าอันนี้ชื่ออะไรความจำความลืม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 บางทีเจอหน้ากันจะพูดเรื่องเนี้ยแต่ลืมแล้วว่าจะพูดอะไรดีต้องเดินกลับไปตั้งต้นเดินมาใหม่ก็มีนะเนี่ยอันนี้การลืมเป็นเรื่องของธรรมชาติของสัญญาเพราะความไม่เตี้ยงของสัญญาความจําได้ไหมรู้มืนจึงลืมอันนี้จริงบอกว่าดีนะเราเนี่ยมันลืมลืมอะไรสับ้างเนี่ยผมก็ว่าดีถ้าว่าจําทุกสิทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสงสารใจ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 อันนี้เกิดดับนับไม่ทันเลยนะ่ะเดี๋ยวคิดดีอ่ะไม่นานเดี๋ยวคิดไม่ดีได้และเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอย่างเช่นอาหารเนี่ยแม่อาหารนี่ชอบจังเลยทานทุกวันไม่เบือ่อเอาเถอะลองทานไปเถอวันเดียวมันก็เบือ่อความชอบเนีย่ยมันไม่เทียงความเกลียดชังก็เหมือนกันบางสี่งบางอย่างนี่เราไม่ชอบ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 เราอยากให้มันสงบแต่มันสงบได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สงบใช่ไหมคนที่มีสติดูจิตอยู่เสมอเสมอเจ็นว่าเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันปรุงเดี๋ยวมันว่างในขณะปัจจุบันนะได้สัมผัสเราเห็นว่าสังขารนี่มันก็ไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งคือกองที่5คือวิญญาณหลักัน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 อันนี้คือวิญญาณอานารคือรู้แจ้งวิญญาณนี่เราจะคิดว่าเป็นวิญญาณที่ลอยล่องออกจากตัวเราตุ๊บ ป, ป่องตุ๊บ ป, ป่องไปเข้าล่างนูอันนี้นั่นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่วิญญาณในทางพุทธศาสนาวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นเราหมายถึงที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้แหละวิญญาณในทางพุทธศาสนาเนี่ย เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือวิญญาณทั้งหมดแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับนะเราจะเห็นทั้งวันก็ไม่ได้ได้ยินทั้งวันก็ไม่ได้มันสลับสับเปลี่ยนวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้เราจะคิดเอาไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราจเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อม ดูขันท่าหรือดูกายดูใจดูรูปดูทำดูรูปประทามดูนมามธรรมอยู่เสมอๆดูอยู่เหนือยอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนที่รูปนามขันท่าเนี่ยเมื่อเราเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆทาให้เกิดปัญญาละกิเลสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้จิตเราก็พ้นภยัยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเรา